จเจริญพรญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมทุกๆท่านเช้านี้เป็นเจ้าของวันที่สองเรียกว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องออกจากข้อสในการปฏิบัติธรรมจะให้พรญาติโยม ก็ที่พูดมาทั้งหมดหครั้งแหละเป็นการให้พรทั้งนั้นพรครั้งสุดท้ายก็มีอยู่ว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีย่อมเป็นที่ผีตายโหงตายทำไมให้เขาใส่โลงตายโอโ้โทง นั้นคือตายเสียก่อนตายเราจะเห็นว่าตายเสียก่อนตายอย่ารอให้ร่างกายมันตายความรู้สึ ก, กว่าตัวกูนี่ให้มันตายเสียก่อนให้ความรู้สึ ก, กว่าตัวกูนี่มันตายเสียก่อนก็คืออย่าให้มันมีกูก็เท่ากับว่า เราตายไปแล้วคือตัวเรานั่นแหละตายไปแล้วตัวกูนั่นแหละตายไปแล้วเจแกว่าใจาสิทธัตถานั่นแหละตายไปแล้วที่ตาต้นโพนั่นเหลือแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ตายพระอระหันต์ทั้งหลายไม่ตายและท่านของท่านก็ไม่กลัวตาย เพราะไม่มีอะไรที่จะตายจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นกินอาหารของความว่างอย่างประกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที มันว่างหมดแล้วอะไรมันจะตายไปดูจะกก ร, รกำกลองสอกรร น, นี้มันตายหมดแล้วเอาอะไรไปตายมันไม่มีคนถ้าเราอยู่มีคนมีสัตว์มีตัวกูมีของกูมันก็เลยต้องกลายไปเป็นผีได้อย่างนั้นนั้นมันไม่มีอะไรที่จะตาย เราต้องตายเสียก่อนตายพระังให้พร อ, อยู่เสมอแต่เราฟังไม่ตูสพีติโยวิวัชันตจักโรโกวยนัสตตมาเตปวัดวัน ต, ตรายโยดุกีตีกายโกเขวะอภิวัตนาสีฤธทธิชนิตังวุตาปจายโนจัตตารธรรมมา จัดารโรนิเปรวสีธรรมะเปรวธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะไม่ใช่พระธรรมคือใบลานไม่ใช่คำพูดธรรมะคือสิ่งตั้งควงมสัพเพธรรมาธรรมะสี่ประการจัดารโรธรรมาวัดตันตี กรรมสี่ประการนี้จงเจริญแก่ต้านทั้งหลายอายุเรารู้จักได้อย่างอายุไม่ใช่อายุไปรู้จักอายุของวัวรู้จักอายุของหมาของแมวของอะไรอายุอายุอา ย, อายุมันไม่มีอายุที่เป็น เวลานะมันไม่มีมันเป็นของปลอมทีนี้เราไปยึดถือว่าปีนี้ก <c oughs> ูมีอายุเท่านั้นกูมีอายุทถานี้นับกันไปนับนิ้วแต่แล้วอายุมันไม่มีไงเมื่อเมื่อโลกมันหมนุนโลกมันหมนุนมันก็เกิดเวลาเมื่อเกิดเวลามันก็เกิดอายุ เกิดนั้นเกิดนี้เกิดโน้นมันก็เกิดเวลาถ้าไม่มีเวลามันมีอะไรถ้าไม่มีเวลามันก็ไม่มีอะไรเราจะเห็นว่าไอ้เวลาจริงน่ะมันไม่มีไปดูเดีไปดูเสียเวลาจริงน่ะมันไม่มีเวลาจริงอย่างนั้นมันมีแต่สมมติมีแต่สมมติ นี้เมื่อเราทําจิตให้อยู่เหนือเวลาเพราะจิตมันไม่มีตัวกูจิตมันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างกลับไปนี้ก็ต้องไปทํางานกันทุกๆคนทํางานด้วยจัดด้วยจิตว่างยายกูทําถ้ากูทาเนะี่ยโอ้ยทํางานอีกแล้วพอกลับมาถึงบ้าน ทำงานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินทำงานด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานงานนี่แหละมันจะสอนเราเองอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันบุกร้องงานเองเนี่ยมันจะบอกเราแม้แต่กวาดขยะ ก, ก็คือการทำงานกวาดขยะไม่ใช่กวาดลวกลวกลวกลวกแล้วก็เลกก็อกพอจบ มันถือว่ามันไม่สนุกนะทํางานอย่างนี้แต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมแม้แต่การทํางานก็เป็นการปฏิบัติธรรมเช่นว่าพระเสนนท่านกวาดขยะจึงเวลาท่านก็กวาดขยะเอาไม้กวาดเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเมื่อเรากวาดทางเดินอย่างนี้น ท่านก็ภาวนาว่าไม่ใช่กู่ไม่ใช่กูท่านก็บอกว่าว่างว่างว่างายก็ว่างขว่าก็ว่างว่างสายทีกว่าที้ายทีกว่าทีสายทีกว่าทีกวาดไปตามจังหวะกวาดกระยาด้วยความว่างด้วยความว่างทีนี้พระเชนรูปนั้น นั่นก็บ้านาว่างอยู่แต่มันไม่ว่างมันไม่ว่างว่ามันไม่ว่างการกวาดไม้กวาดไปโดนอไอ้ลูกกรวดลูกหินบางเอื่นว่ามันมีก็ไม่ไผ่อูกข้างทางไม้กวาดกวาดได ล, ลูกหินนั้นก็ไปโดนลําไม้ไผ่ ก็ดังโอ้กก็ดังโอกท่านก็บรรลุทําขึ้นมาทันทีเลยก็คือว่าไอ้จริงๆไอ้ตัวเราผู้กวาดก็ไม่มีไอ้ไม้กวาดมันก็ไม่มีไอ้ลูกหินมันก็ไม่มีแต่แล้วเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เม่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันดับจริงพอแต่แล้วโผกพอโผลขึ้นมาก็ดับเลยอืมดูจิตของตัวเองจุดจิตตัวเองก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันไม่มีอะไรนี่มันไม่มีอะไรนี่เนี่ยมันว่างจากตัวตนอเราจับจุดให้ได้ แค่นั้นเราทํางานทุกอย่างจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานในความว่างทุกอย่างสิน้นไม่ต้องไปอะไรกับมันตามเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าจบตามเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าจบยกผลงานให้ความว่างกินอาหารของความว่างอย่างประกิรกินยังไงกินอาหารของความว่าง ยายกูกินยายกูนมันกินชายซอ ย, ยอะไรก็เหมือนกันอย่ายมันมีกูถ้ามีกูแล้วมันก็ไม่สบายแล้วจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นกินอาหารของความว่างอย่างประกินเอาอาหารข้าวเปล่ามีรสชาติ มีทั้งอร่อยมีทั้งอร่อยไม่อร่อยแล้วก็เฉยๆสามเวทนานั้นแหละมันจะเกิดมันจะเกิดเวทนาใดเวทนาหนึ่งนีเมื่อเราคขยันในการปฏิบัติปฏิบัติด้วยการทำให้จิตมันว่างจากตัวกูแล้วก็ภาวนาว่างตัวเดียว ไม่ใช่กูไม่ใช่กูก็คือว่างเอาอาหารใส่ปากมันก็ได้กลิ่นแล้วกลิ่นอาหารมันก็ว่างไอ้จมูกมันก็ว่างไอ้ลิ้นมันก็ว่างรสคือการสัมผัสไอ้ประสาท ต, ต่างๆที่อยู่ที่ลิ้นมันก็สัมผัสสัมผัสกับรสของอาหารมันก็เกิดดับ แล้วก็ว่างเกิดดับแล้วก็ว่างทีนี้เราจะวิธีไหนจำจิตให้ว่างเราจะเอาวิธีไหนเราก็ภาวนาไว้ว่าว่างว่างว่างตามย่างไงในการกินอาหารกินอาหารคําที่หนึ่งสักแต่ว่าธาดว่าสักแต่ว่าธาดว่างพราะสักแต่ว่าธาดว่างที่พ็อ่ารใส่กระปาก จักแต่ว่าธาตุว่าคำที่หนึ่งว่างว่างว่างเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ว่างว่างว่างว่างว่างว่างแล้วก็กลืนกลืนแล้วก็ว่างอร่อยก็ว่างไม่อร่อยก็ว่างนี่คือกินอาหารของความว่างอาหารเองมันก็ว่างคนกินอาหารมันก็ว่างเพราะ ลิ้นมันก็เกิดดับว่างรสชาตินั้นก็เกิดดับว่างมันก็เลยพลอยว่างกันไปว่างว่างว่างว่าแล้วก็กลืนกลืนแล้วก็ว่างต่อไปมันจะยกตัวหวงพ่อใช้ามาไม่รู้เวลาเท่าไหร่แล้วหลายปีแล้วกินอาหารของัห ว, ว่านๆฉะนั้นเราจะต้องสกัดมันเอาไว้ก่อน พอมีความรู้สึกขึ้นมาว่าอร่อยว่างขึ้นมาทันทีเราจะกัดแล้วเราจะกัดให้ว่างขึ้นมาแล้ยเราจะกัดให้มันว่างว่างว่างว่างว่างรู้สึกอร่อยก็ว่าไม่อร่อยก็ว่างเฉยๆก็ว่านี่กินอาหรของความหวากินอาหรของความหวานอย่างประดิษฐ์ ถ้าเราเปลือยมันก็กินเอากินเอากินเอากินเอาเกี่ยวกรีนเกี่ยวกรีนเกี่ยวกรีนตักใส่ตักใส่เกลียวกืนตักใส่เกลียวเกลียวกรีนอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่ากินอาหารด้วยการไม่ระมัดระวังเมื่อไม่มาระวัตระวังมันก็กู้กินเป็นกู้กินอาหารหลวงพ่อเลยแต่ตอนที่มีพระอยู่หลายรูปเราก็ให้ตัก อาหารเสร็จแล้วไปไปที่กุฏิก็ได้ไปนั่งใต้ต้นไม้ไหนก็ได้ไปฉันไปฉันเองตามสบายนี่ด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยเหตุจำเราจะถ้ศึกษาธรรมะเราระเห็นว่าพระในสมัยโบราณท่านกน็ไปบินทบาทไปบินทบาทตอนเช้ากลับจากบินทบาต ท่านก็ไปแถวหนองน้ำหนองน้ำราะสมัยนั้นน้ําที่ตรงไหนก็ดื่มได้ทั้งนั้นไปแถวที่มีหนองน้ํำแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรนี่ท่านก็ไปนั่งไปนั่งจันอาหันด้วยความหัวจันอาหันด้วยความหัวนี่ทำอย่างนี้ทีนี้พอต่อมานี่พระมา พอพระมากก็ต้องฉันกันมีหลวงฉันฉันกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องจัดแจงกันต้องอยันนั้นยันมันก็เลยไม่ว่างฉันอาหารด้วยความไม่ว่างหลวงพฉันอาหารไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้มีใครทางนั้นแม้แต่พระนี่ก็ไม่ต้องการให้มีไม่ต้องการให้มีใครทางนั้นเรางพ่อจะได้ฉันสบาย จะได้จันาหารกับความว่างจันาหารกับความว่างนี่เรียกว่ากินอาหารของความว่างอย่างพระกินแม้เราก็ไม่เผล่เรียกว่าพยายามที่จะไม่เพล่ในการกินอาหารในการห่มจีวรก็จ้ทําให้เป็นของว่าง ยถาปัจจะยังปวัตตมานังถาถุมัดตะเมเวตดังนี่คือคาถาในการที่จะหม่มจีวรแปลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศักดิ ว, วัาน์ตามธรรมชาติเท่านั้นกาลังเป็นไปตามเหตุตามปัจใจยอยู่นั่นนิดจีวรมันมาจากไหนยะ ม, มันมาจากราวผ้าเมื่อก่อนมันไม่มีจีวร เส้นได้มันมาจากไหนเราต้องรู้ที่ไปที่มามันทางนั้นเมื่อก่อนมันไม่มีแล้วก็มาเป็นจีวรเอามาจัดเอามาทอเอามาสารับจนเป็นจีวรเมื่อเป็นจีวรแล้วเราก็เอามาหมยะถาปัจยยังปวัตตมานังตาตุมัตเตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นศักดิ์าวท่าตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่นินดยะที่ทางจีวรังธาตุประุน จ, กโกจะโกจะปุกันดูสิ่งเหล่านี้คือจีวรและคนผู้ชา้สอยจีวร น, นั้นธาตุมัตตโกเป็นสักว์แต่ว่ า, า, าธาตุตามธรรมชาตินิสัตโตมิได้เป็นสัตแตวะอันยังดีนิชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็น สุญยว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพาณิปันนิมาณิจิวราณิอาิคุชนิยานิก็จีวรทั้งหมดนี้ไม่นา่าเป็นไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิมอิมังผูติกายังปัตตวครันมาตัเข้ากับกายอ น, น่าดูเป็นนิจแล้วอติวิยาจิคุชนิโยชัยยิ จะกลายเป็นของ น, นาเกลียดอย่างยิ่งไปโดยกันผู้โฮมจีวรว่างจีวอนเป็นของว่างจีวอนเชื่อป้าของเราเป็นของว่างเนี่ยมันจะว่างบมดทีนี้โฮมจีวรเสร็จแล้วเราจะไปไหนเราจะเดินไปไหนเดินไปบินตบาน ก็เดินด้วยความว่าทุกอย่างตาจากแต่ว่าธาตุว่างธาตว่างธาตว่างาตว่างธาตุว่างธาว่าเดินว่าเดินว่างเดินว่างเดินว่ามันไม่มีกูเดินมันไม่ใช่กูเดินกูมันไม่มีมันว่างฉะนั้นจะใครที่เด yeah, ินก็ธาตุาดินทาตน้ำธาตุไก่ธาตุดม กระดูกมันแข่งไปขามันแข่งไปแขนมันแข่งไปเดินด้วยความเดินด้วยความไม่ยึดมันม่นเดินที่เต็มไปด้วยสติปัญญาทุกการ์ดอย่างเราบอกว่าปฏิบัติธรรมะไม่ได้ไอ้ท่านไม่เดินะไอ้ท่านไม่กินไอ้ท่านไม่นอนไอ้ท่านไม่นุ่งห่มผ้านี่เราไม่รู้จักทำ ไม่รู้จักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราถ้ตาปฏิบัติก็คิดว่ามันต้องนั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิเท่านั้นจึงปฏิบัติมันไม่ใช่ปฏิบัติได้ทุกโอกาสคนฉลาดปฏิบัติได้ทุกโอกาสไม่ว่าทาอะไรอนี้ยกเรื่องของพระเมื่อพระไปบินธบาติพระไปบินธบาต เปิดขวาบาทยะถ า, าปัจจยังเปรตรมานังธาตุมัตเตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นเสววาวัฏตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเบินไปตามเหตุาตามปัจจะอยู่หนึงนิดยะติทางปินตะปาโตธาตุปบุญจโกจะปุกะโลสิ่งเหล่านี้คือบินตาบาดและคนผู้ชายโสยผู้บริโภคบินตาบาทนั้นธาตุมัตเตโกเป็นศักดทว่ธาต์ตามธรรมชาติ นิสสัตโตไม่ได้เป็นสัตวานยังยืนนิจิโวไม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลจนโยว่างปราจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนจะโปปนายังปินตาโตอชิคุชนิโยก็บินทบาต ท, ทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาต่เองอิมังปุติกายยังปัตตวาครั้นมาถูกก้าวกับกายอเ น, น่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอติวิยิคุชนิโยชายาติ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันนี่อาหารที่บินทบาทวายองก็ใส่บาทก็ตักบาทแ้เราก็สักแต่วทาธาตุว่างธาตว่างผู้รับก็สักแต่ว่าธาตุว่างอาหารที่เขาใส่มาก็สักแต่ว่ธาตุว่างาตว่างให้เราเข้าใจว่าธาตุว่าและมันมีแต่ของว่า กินอาหารก็กินอาหารของว่างวาง่าคนกินก็ว่างอาหารที่กินก็ว่างนี่จะมันลอยลอยว่างกันไปหมดดังนั้นจีวรหรือผ้านุ่งผ้าโอมเสื้ออะไรที่จรณาให้เป็นของว่างให้เป็นของว่างพเกี่ยวกับอาหารอาหารก็เป็นของว่างอาหารเองก็กลายเป็นของว่าง ที่นี่เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของเราว่าเป็นของว่างมันจะกลายเป็นของว่างไปหมดเราอาศัยเราคิดว่าไอ้นี่มันบ้านของกูไม่ว่างเลยไม่ว่างนี่มันตัวกูมันไม่ว่างแลย น, นี่มันไม่ว่างแล้วังนั้นต้องรู้ต้องรู้ไอ้บ้านหรือเสนาสนะนั่นเป็นของว่างรเราเอง ของวางไอ้บ้านมันกอววางไป็น อ, อะไรมันนี่มันก็เป็นของว่างไปหมดเอาต่อไปเราเจ็บไายได้ป่ยวยหรือเราต้องกินยาเป็นประจำไอ้ยาก็คือของว่างคนกินก็เป็นของวางนี่มันว่างจากวัตถุตนทัน้งหมดทั้งหมดนี้ไม่วา่า เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคเป็นสัตว์ทว่าธาตุตามธรรมชาติก็คืคอธาตุว่างธาตุที่มันเกิดธาตุที่มันดับแล้วมันก็ว่างจากตัวตนเห็นเป็นธาตุว่างหมดเป็นธาตุว่างหมดนี่ถ้าใครเห็นธาตุว่างอย่างนี้ คนนั้นเกิดทันศาสนาพระศรีอาริยเมตรยแล้วพระชีอาริยเมตรยที่ก็ทําเป็นพระทรงเครื่องนี่เป็นอะไรก็ตามนั่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พระชีอาริยเมตรยใครเกิดทันศาสนาของพระอาริยเมตรยพลิกแปบเดียว ท่านศาสนาพระอาลัยเมตรัยแล้วพระอาลัยเมตรัยเป็นยังไงเป็นยังไงไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนมีข้าวไม่มีคนกินมีทางไม่มีคนเดินมีบ้านไม่มีคนอยู่มีเสื้อผ้าไม่มีคนนุ่ง เห็นไห ม, มันไม่มีทางนั้นมีอยู่มียาก็ไม่มีคนกินลงไปจากเรือนไปเห็นคนเหมือนกันหมดเห็นคนเหมือนกันหมดไม่รู้จักกันว่าพี่หรือว่า น, น้องเหมือนกันหมดผู้หญิงก็เหมือนกันหมดพี่ชายก็เหมือนกันหมดหทําไมมันไม่เหมือนกันเพราะมันว่างอยู่เรือนว่างเรือนว่าง ดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอจงไปไปที่ไหนป่าช้านั่นป่าช้านั่นป่าชัดนั่นเรือนว่างนั่นลมฟางนั่นถ้านั่นภูเขาเธอจงไปเธอจงไปที่นั้นให้ไปปฏิบัติธรรมที่นั้นจะได้เห็น แกได้เห็นอะไรเห็นความว่างไม่ใช่ว่างไม่มีไปนั่งวิจารณาว่า ม, มันว่างจากตัวตนอย่างไรไเห็นความว่างเพราะฉะนั้นมันจะว่างหมดคนก็ว่างหมดเห็นคนอ้ามันไม่มีคนทุกคนว่างจากตัวตนเมื่อใครจะตายแต่มันว่างจากตัวตนมันตายเสื่อก่อนตายแล้ว แต่ตัวกูก็ไม่มีตัวเราเองก็ไม่มีมันว่างจากตัวตวนและเมื่อธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันมารวมกลุ่มกันก็เป็นคนเป็นสัตว์แต่ทีแล้วมันมาจากไหนมันมาจากความไม่มีมาจากความไม่มีแล้วมันมาเป็นความมีพอเป็นความมีแล้วก็ไปสู้ความไม่มีเอ้ามันก็ไม่มีสิมันก็ไม่มี ม, ม, ม, มันว่าง มาจากความว่างแล้วมาไม่ว่างแล้วก็ไปสู่ความว่างอย่างนั้นทางนั้นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นทางนั้นโลกนี้มันไม่มีโลกนี้มันไม่ ม, นมีนี่พูดภาษาโลกรุตรธรรมนะโลกนี้มันไม่มีมันไม่มีแมื่ก่อนมันมีอะไรที่หลวพบอกมันมีแต่ความว่างความว่างความว่างไม่ใช่ว่างปรา ว่างจากตัวตนความสงบความสงบเย็นนะที่หลวงปอพูดว่าพระมิลาเลปะก่องพระทิเบต ท, ท่านเป็นพระอรหนะันตนั่นท่านก็เอามือป้องหูฟังเสียงแห่งความว่างเอาเสียงลมมาแคปเลียกมันก็จบแล้วมันเกิดและมันดับและมันว่างจ า, ากตัวตนเสียงเพลง เราก็ไปอย่าไปยึดมั่นถือมันมันได้ยินเสียงก็เหมือนกับว่าไม่ได้ยินนั่นแหละเพราะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันมันวา่าเสียงก็ดา่าเสียงก็สรรเสริญเสียงก็นินทาเกิดดับเสียงเกิดดับปูเกิดดับมีในระยะหนึ่งตอนที่หลวงพ่อกาลังไปสอนโรงเรียนประจำจังหวัด ที่สอนประจํามันจะสอนเด็กม .4 แล้วหลวงพ่อจะสอนเด็กฉลาดทั้งนั้นคือเด็กห้องหนึ่งทั้งหมดมันมี12ห้องสอนเด็กห้องหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็ไปสร้างสร้างองพระก็ออกเงินเป็นหลายหมื่นกันไม่ต่ากว่าห้าหมื่้างองค์พระยานี้ก็ยังใช้ยอยู่องพระนั่นห้องพระนจะมีพระพุทธเจ้ามี พุทธประวัติเขียนไว้ที่ขวาปานหนังอยอยก็ยังดีอยู่ตอนนี้ทันนี้ในระยะที่หลวงพ่อไปดูแลอยู่นั่นเอตอนเย็นคือตอนใกล้ที่เด็กจะเลิกก็ต้องซ้อมดนตรีกันซ้อมดนตรีกันดึงดึงดึงเสียงดังมากเสียงดังมากหลวงพ่อด้เสียงอะไรบอกฟังเสียง มันหนวกหูหนหูก็เลยบอกตัวเองว่าอย่าไปมีหูมันที่เสียงเกิดเสียงดับเสียงว่างหูเกิดหูดับหูว่างเสียงเกิดเสียงดับเสียงว่างโสตวิญญาณเกิดโสตวิญญาณดับโสตวิญญาณว่างสัตวัจจัเกิดปัจจัดับว่างอันี้ระวังว่าอย่ามีหูกูแล้วเสียงก็เกิดดับหูกูหูก็เกิดดับ ไอเวทนานั้นเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเวทนาไอเสียงดังตึงถึงทั้งชิ่งทั้งฉาบนั่นแหละเราก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราอยู่กับอะไรก็เราอยู่กับจิตว่างดีว่าเราอยู่กับจิตว่างโอแต่เป็นไม่ถือช่างมันถือเตี้ยนเลยเี้ยลูกแต่ก็ช่างมันเถิดเราได้ยินแต่ว่าเราไม่สนใจ เสียงนั้นมันก็เลยว่างไว้เองนะเพราะหูไม่ใช่หูกูมันไม่ใช่หูกูเสียงก็ไม่ใช่กูได้ยินไม่สนใจเนี่ยมันก็ว่างอย่างนี้มันก็ว่างคือเราทำให้จิตว่างทำให้จิตว่างถ้าจิตว่างแล้วอายตนะภายนอกว่างหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจ ร, รูปเสียงกลิ่นรสวัตถุธรมารม วา่ า, า, ง một, างหมดวิญญาณทั้งหมดทั้งหกก็ว่างหมดปัจจ า, า, าทั้งหก็ว่างหมดเวทนาทั้งหกก็ว่างหมดแล้วตัณหามันก็เกิดไม่ได้นี่คืออยู่ด้วยจิตว่างอยู่ด้วยจิตว่างกินด้วยจิตว่างนอนด้วยจิตว่างเดินด้วยจิตว่างทำ ง, งานด้วยจวิตว่ายกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิง ว่างหมดนี่ว่างนี่คือเรียกว่านิพพานังปรมังสุนญ์ยังนิพพานว่างอยางยิ่งว่างเพราะอะไรว่างเราไม่เข้าไปยึดมันม่นติดมัดนสิ่งไหนที่เราเข้าไปยึดมัน่นสิ่งนั้นไม่ว่างแนละ้กวกูหายใจอยู่กูที่ไหนมี มันเพิ่งจะมีนี่แล้วต่อไปมันก็ไม่มีจากไม่มีมาเป็นมีจากมีแล้วก็เป็นไม่มีวอกแวบแวบเดียวเราก้าไปยึดมั่นถึงมันก็เดินขึ้นกลงบนนี่เดินขึ้นกลงบนคนที่ไม่เคยมานี่ยหอบหอบคนเมื่อก่อนเขาเรียกออไอ้นี่หอบเหมือนกับหมาตามพระหมาตามพระหมามันชอบเดินตามพระ พระไปไหนตอนเตียงเตียงมันโอบๆเหมือนตั่มาตามพระหายใจไม่ทันแต่ว่าเราจะไม่หอบเหมือนตั่มาตามพระเราขึ้นเดินขึ้นมาเราก็เดินสบายสบายไม่ใช่คูเดินกูก็เดินว่างอะไรเดินว่างอะไรเดินว่างๆเดินว่างๆเดินว่างๆทุกอย่างก้า เดินว่างวาง่าถ้ามันเหนื่อยพักหน่อยยืนว่างวาง่ายืนว่างว่างยืนว่างวาง่างตทียากครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยแต่เด็กก็เดินว่างว่างเดินว่างว่างแนี้มันเดินไม่ว่างกูเดินกูเดิ น, ดนยังไม่ันถึงเลยเพอเริ่มที่จะก้าวขึ้นบันไดมาถึงแนว ใครมาถึงแล้วไอ้จิตโง่นั่นเลยจิตโง่ไอ้คนที่ไม่เคยมาคาไอ้ภูเขาเนี่มันสูงเหลือเกินไอ้ข้างบนมันเป็นยังไงถึงแล้วมันมาถึงแล้วแต่ร่างกายยังไม่ถึงร่างกายยังก้าวยังเดินมันต้นงไล่ดิทีนี้มันต้องไล่ไลยอย่อะไรเดินไล่จิตเดินไล่จิตพระจิตมันถึงแล้วแต่กู อจิตที่เป็นกูนะ่ะมันถึงแล้วเป็นยังไงไอจิตฉลาดมันไม่มีมันมีแต่จิตงโง่เด้อจิตกูมาถึงก่อนไอนร่างกายของกูก็ต้วนเตรี้ยมต้วนเตรี้ยมต้วนเตรียมเดินอยู่ข้างหลงังทังเดินเดินไปพรางตกนรกไปพรางเห็น ไ, ไหมนี่กูนะ่นะนะกูเดินเดินให้เป็นเดินนะ่ะต้องเดินให้เป็น ขึ้นบนวัด น, นี้ก็ขึ้นให้เป็นต้องขึ้นให้เป็นไม่เหนื่อยขึ้นเป็นไม่เหนื่อยแต่ขึ้นไม่เป็นก็ดูดีว่าไอ้ที่ในทิเบตพระราชวังโกตาลานะมันสูงกว่านี้กี่เท่าก็ไม่รู้เราขึ้นกันไปตอนเที่ยงวันนั้นโอ้มันเหนื่อยก็เหนื่อยหลวงพ่อนี่เหงื่อแตกแล้วแตกอีกไปจ่ำหัวมัน อาวัวมันวัวเดินเดินเดินเดินเราก็เดินเดินด้วยความว่างทีเดินด้วยความว่างแคนั้นราอ้รู้จากประเด็นนี่เรานอนนอนก็เรานอนด้วยความว่างหายใจเข้า ว, ว่างจากตัวกูหายใจออกว่างจากตัวกูไอ้ว่างนั่นแหละมันตายหมดไอ้ตัวกูมันตายหมด หายใจข้าจากแล้ ว, วางหายใจเขาววางจากตัวกูหายใจออกว่างจากตัวกูนี่ไอ้มันว่างหมดมันก็คือนั้นแหละไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้ว่างนี่คือวานะ่อวางจากตัวกูทีนี้ถ้าว่างจากตัวกูแล้วใครตายใครมันจะตายดังนั้นในศาสนาพระศรีอาหก็ลงจากเรือแล้วก็เหมือนกันหมดคนเหมือนกันหมด ไม่รู้คนไหนพี่ไม่รู้คนไหนน้องไม่รู้แม่ไม่รู้พ่อไม่รู้อะไร <c oughs> คนเหมือนกันหมดไม่ใช่หน้าตาเหมือนกั น, นในสมยัยนั้นคนเขาภาวนาว่าจิตว่างอยู่กับจิตว่างเดินกับจิตว่างเห็นคนก็สักแต่ว่าตาด้วงตาด้วงตาว่างตาด้วงผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชาย ก็ไม่ใช่ผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่กระเทยเห็นจากแตีว่าธาตว่างกั้นมีแต่ทาดว่างคนก็ทาตว่างสัตว์ก็ทาตว่างต้นไม้ก็ทาตว่างผูเขาก็าตว่างแล้วมันมีขึ้นมาได้ยังไงเมื่อก่อนมันไม่มีไม่มีอะไรทุกอย่างมันว่างสงบเย็นว่างแล้วก็สงบเย็นเมื่อก่อนก็ว่างสงบเย็นว่างสงบเย็นว่างสงบเย็น ตอนที่จะมันมีจะมีโลกจะมีจักรวาลขึ้นมาทีนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็เกิดมีมวลสารขึ้นมาพอมีมวลสารขึ้นมามวลสารคือธาตุต่างๆธาตุที่เป็นธาตุไฟที่เป็นกา๊าซเป็นอะไรนี่มันก็ก็กลุ่มกันจับกลุ่มกันพอจับกลุ่มกันความร้อน จับรวมกันจับร่มกั น, กนอันเป็นของเหลวดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่มันเป็นก้อนมันเป็นของเหลวทีนี้มันเป็นดวงไฟนั่นคือเรียกว่าอนุภาคที่มันเป็นไฟหรือว่ามวลสารที่มันเป็นไฟมวลสารที่เป็นไฟนั้นก็เป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกนี่ แตกออกมาจากดวงอาทิตย์มันจะแตกมาจากดวงอาทิตย์ก็ได้ไม่แตกก็ได้เพราะธาตุไฟมันก็รวมกลุ่มกันเองเพราะมันรวมกลุ่มกันเองแล้วเป็นยังไงอ่ามันก็เป็นไส้ในมันกลวงมันก็เป็นทาตุไฟอยู่ไสยในของโลกนี่เลยที่ตรงกลางของโลกนี่แทีนี้มันก็หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมนโลกนี่มันก็หมุน ม้นทีนี้อ้ไอ้มวลสารต่างๆที่อยู่ภายนอกมันค่อยๆก่อข้าวก่อข้าวก่อข้าวกอข้าวก่อข้าวก่อก่อข้าวก่อข้าวก่อข้าวมากมายเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านปีนมันเป็นยังไงทีนี้เสแล้วมันก็เป็นโลกขึ้นมาทําให้มันพอดิบพอดีพอมันเป็นโลกขึ้นมา มันก็มีมหาสมุทรมันมีแผ่นดินมันมีภูเขามันมีต้นไม้มันมีหญ้ามอสมันมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้โลกนี้มันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้มันก็เกิดขึ้นมาเองนั่นแหละมันจะแตกออกมาจากดวงอาทิตย์ทำไมอะมาเกิดขึ้นมาเองเพราะมันเกิดขึ้นมาเองอย่างนี้มันทําให้เกิดความพอดีสมดุลดวงอาทิตย์ก็อยู่ไกล โลกก็อยู่ตรงนี้เมื่อโลกอยู่ตรงนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสิ่ง น, นี้มีสิ่ง น, นี้จึงมีเมื่อสิ่ง น, นี้เกิดขึ้นสิ่ง น, นี้จึงเกิดขึ้นเมื่อก่อนมันว่างหมดมันสงบเย็นหมดทีนี้ความว่างความสงบเย็นก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ ย, ยังอยู่ในโลกอยู่ในจักรวาล อยู่เหนือโลกอยู่เหนือจักรวาลต่างๆนี่แหละที่นี่เป็นยังไงเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดสัตว์น้ำขึ้นมาสัตว์น้าก็นานๆก็กลายเป็นสัตว์บกขึ้นมาสัตว์บกก็มีต่างๆมีหลายชนิดนมันเพิ่งเกิดทางนั้นทั้งหมด เ, เกิดเหมือนกับว่ามันเกิดมาเมื่อวานนี้เองนี่แปล่แต่เอ๊ะมันเกิดมาจากไหน เรามาปฏิบัติธรรมนี้เรามาคารมมาต้นตอของมหนไหวเรานี่ยมันมาจากไหนเนี่ยไอ้ตัวกูนี่มันมาจากไหนตัวกูมันไม่มีมันมาจากไม่มีไม่มีคือมันมาจากความว่างที่สงบเย็นความว่างที่สงบเย็นทีนี้เราก็มาปฏิบัติมาปฏิบัติเพื่อที่จะให้รู้ว่าต้นตอมันมาจากไหนอทีนี้พอมีโลกขึ้นมา ดวงอาทิตย์ก็อยากที่จะเอาเป็นบริวาทําอย่างไงมันก็จะดูดเข้าไปจะดูดเข้าไปไปหาเพราะมันไอ้ไส้ในดวงนะที่ดวงที่มันเป็นไอ้ธาตุเหลวที่มันเป็นฝอยมันเป็นลาวานะอยากจะให้ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าโลกเองมันก็มีพลังในตัวของมันเองดวงอาทิตย์ก็มีพลัง โลกเองมันก็มีพลังดาวทุกดวงมันมีพลังทางนั้นเนี่ยเสร็จแล้วดวงอาทิตย์จะดูดกูเข้าไปด้วยโลกถ้ามันพูดได้มันจะพูดว่ากูไม่เป็นทาสมึงกูไม่เป็นทาสมึงกูไม่ไปอยู่กับมึงกูอยู่เดียวอย่างนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นโลกขึ้นมานกลายเป็นโลกขึ้นมาพอ ก, กลายเป็นโลกขึ้นมาโลกมันก็ต้องต่อสู้ที่เห็นไหนมมันก็ต้องต่อสู้ที่ ต่อสู้คือมันจะต้องหมุนทีนี้หมุนสู้ไม่ใช่หมุนแป้หมุนสู้หมุนไม่เข้าใกล้ดวงอา shadow. ทิตย์เห็นไหมนี่มันหมุนเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อว่าโรคนี้มันแตกมาจากดวงอาทิตย์หรือว่ามันเกิดขึ้นมาเองแต่หลวงพ่เชื่อว่าเกิดขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่มันมาจากดวงอาทิตย์ทีนี้ดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์ โลกมันก็คือโลกไอ้นีมันก็ป้องกันตัวดีโลกมันก็ป้องกันตัวมันก็มีเรือนกระจกมีเรือนกระจกทีนี้พอดวงอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมาส่องแสงแดวงอาทิตย์กูเอาไว้ตายมึงไม่เชื่อกูกูเอาไว้ตายกูเผาไหม้มึไงไอ้หมดไม่ให้เหลือเอาโลกก็เลยป้องกันเป็นเรือนกระจกอะไรตกลงมาจู่โลก เก็ ด, ดาวอะไรต่างๆตกมาไม่ให้ถึงมันไม่ให้ถึงแต่ว่ามีเครื่องป้องกันมีเครื่องป้องกันเอาไว้แสงบุตราไว้เ อ, อเรตอะไรต่ออะไรทําให้เกิดผปวเผาไหม้หรือทาให้เกิดว่าเร่งอะไรอย่างนี้กรองแสงมีเครื่องกรองแสงขึ้นมานี่คือโลกมันป้องกันตัวมันเองป้องกันอย่างนี้เพราะมันป้องกันอย่างนี้ ก็ทําให้มีต้นไม้ต้นหลายมีสรตวสัตว์ต่างๆนานาทุกชนิดเห็นไหมโลกมันก็คือโลกนั่นแหละดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละดวงดาวก็คือไอ้พวกก้อนหินต่างๆนั่นแหละที่มันไม่จุกเหมาะมันไม่พอดีเมื่อมันไม่พอดีก็ไม่เกิดสัตว์ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะมันไม่ไม่พร้อมเรียกว่ามันไม่พร้อมมันไม่มีน้ําแล้วมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไง สัตว์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากน้ำทั้งนั้นในสัตว์ในในใน้ำนมันก็มีตัวขออัยเตะนี่เราทุกคนเกิดมาจากสัตว์น้ำสัตว์น้ำไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากในมหาสมุทรตอนแรกมันก็เกิดจากมหาสมุทรแต่ที่นี้มันก็มีน้ำหล่อเลี้ยงมันมีอาหารหล่อเลี้ยงอันี้เราเกิดมาจากในท้องแม่ ส่วนที่เป็นร่างกายเกิดมาจากท้องแม่เพราะมันมีธาตุดินธาต้น้าําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเมื่อธาตุทั้งหนี้ลงสู่คันลงสู่คันของมารดาเนี่ยมันต้องพอดีด้วยมารดาก็จะต้องมีฤดูต้องมีฤดูทีนี้ก็จะต้องมีเพศพ่อนอนด้วยอะไรด้วย ทีนี่มันมาจากไหนก็ออะไรน้ําที่มันไม่สะอาดนั่นแหละที่เข้าไปอยู่ในถุงมดลูกนะที่มันคลานเข้าไปที่มันคลานเข้าไปที่มันวิ่งเข้าไปมันเกิดจากน้ำเห็นไหมมันเกิดจากน้ําเกิดจากนั้นที่มีเป็นล้านตัวไม่ใช่ตัวสองตัวไอ้ตัวที่ไม่สะอาดนั้นก็เรียกว่าตัวอาสุจิตัวอสุจิมันเริ่มที่จะมีชีวิต วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งวิวิเป็นล้านตัววิ่งแข่งกันแต่เจอแล้วได้ใครตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งได้ได้เจอแล้วตัวที่หนึ่งก็ไปก่อที่ผนังมดลูกแล้วก็กินอาหารที่ต่อไปก็กินอาหารอาหารมีอะไรก็มีพวกน้ำเมือกมีอะไรก็น้ำนั่นแหละเป็นอาหาร มีน้ำเมือกมีสิ่งจกกระปรกทั้งนั้นมันเกิดมาจากสิ่งที่จกกระปรกแล้วมันก็เกิดขึ้นมาจากน้ำนแล้วก็เป็นตัวทีนี้น ย, ยเ็เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวพอสามเดือนก็มีขามีแขนมีหัวขึ้นมาแล้อยๆพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนานั่นแห็นไหมจากธาต อากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุอ้าวมันมีความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุทีนี้บอกเป็นตัวขึ้นมาได้โอกาสอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วก็ตามตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นก็กูอยู่ไม่ได้แล้วกูจะต้องออกไปจากนี้แล้วอาหารก็ไม่พอ ที่อยู่กุกขับแคบเหลือเกิดหลวงพ้อมันก็ห่างดีมันโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นได้เกเดือนบ้างสิเดือนบ้างออกมองตามาดูโลกภายนอกนี่เห็นไหนมนี่คื อ, เ, อเรื่องเรื่วงคนโลกโลกเรื่องที่มันเป็นโลกโลกหลวงพ่อไม่ได้เป็นนะักวิทยาศาสตร์หรอกแต่หลวงพ่อกต็ต้องคิดดูหลวงพ่อก็ต้องคิดต้องคิดต้องเพ่งหนูไอ้เพชรที่มันมาจากไหน ไอ้พ้อยมันมาจากไหนก็นก็เพ่งดูเพ่งดูเพ่งดูเพ่งดูทำไมมันมีสีก็มีสีทางนั้นเพชร้อยนะ่ะมันอมสีจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่มันถูกรองแสงมาแล้วแล้วมันก็อยู่ในภูเขานปลาที่อยู่ใต้มหาสมุทรมันไม่ได้รับแสงแห่งดวงอาทิตย์เลยแต่มันก็มีแสงที่เล็ดลอดเข้าไป มันก็ทำให้อะไรทำให้กระโดงหรือว่าอะไรของมันสักอย่างเนึ่มีแสงสว่างขึ้นมามีแสงสว่างเป็นเครื่องนำทางหรือว่าอย่างน้อยที่สุดไม่มีอะไรแล้วแต่มีสัญชาตญาณคือวิญญาณธาตุของมันธาตดรู้เ่ามันไม่มีตาตามันใช้งานไม่ได้มีตาแต่เหมือนกับตาบอดแต่สัญชาตญาณของมันใช้อะไรอย มันต้องใช้จะมูกมันต้องใช้อะไรอย่างเลยอย่างหนึ่งเป็นเครื่องนํำทางขึ้นมาขอไปเลยไอ้ทองนะ่ะไอ้ทองที่หลวงพ่อเลี้ยงเอาหมาแต่ละตัวนี้โนโ้หลวงพ่ออยู่ข้างล่างโนดไปบินทะบาทกลับมาอยู่ข้างล่างเอา้ามันลงไปแล้วลงไปแล้วมันรู้ได้ยังไงจะมูกของมันนั่นคือสัญชาตญาณของมันถ้ารู้เรียกว่ารู้ นี้ถ้ารู้นั้นยังไม่ได้พัฒนาก็เรียกว่าตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณของสัตว์ทีนี้ถ้าคนคนก็มีสัญชาตญาณเมื่อก่อนพอเป็นสัญชาตญาณเหมือนกับสัตว์ตัวประเภทแต่แล้วเรามาแปลเชื่อใหม่เรามาแปลงเชื่อใหม่แปลงจากสัญชาตญาณมาเป็นภาวิตายานภาวิตายานก็คือการภาวนาน ภาวนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเป็นพาวิตายันก็เป็นภาวิตายันขึ้นมามันก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นมันคมขึ้นเดี๋ยวว่าถ้ามีเป็นมีดเป็นอะไรเนี่ยคมขึ้นพอคมขึ้นคมขึ้นคมขึ้นมันก็ศึกษาทีนี้ก่อยก็ศึกษาศึกษาจนกระทั่งว่ารู้เรื่องพระนิพพานนั่นแหละรู้ถึงเรื่องพระนิพพาน ของพ่าก็าพูดว่าพระนิพพานเป็นยังไงพระนิพพานคนก็เสวงหาพระนิพพานตอนแรกก็อกามเป็นพระนิพพานตอนต่อมาก็เอารูปฌานเอาวิตกวิจารณ์มาเป็นพระนิพพานมันไม่ใช่อีกเอาปิติมาเป็นนิพพานก็ไม่ใช่อีกเอาสุขมาเป็นนิพพานก็ไม่ใช่อีกเอาเอกกัตตามาเป็นนิพพานก็ไม่ใช่อีกเนี่ยหากันหากันหากัน หาพระนิพพานก็คือหาต้นเดิมต้นเดิมของจิตต้นเดิมก็คือความสงบความสงบเอาต่อไปไปอีกสํานักหนึ่งเมื่ อ, อก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์ของเราไปอีกสํานักหนึ่งว่าสํานักนี้ก็ไม่ใช่ไปสํานักโน้นสูงขึ้นมาหน่อยอากาสานันจายตนะเอาเอาอากาศ เป็นนิพพานก็รู้สิ่งที่มองไม่เห็นตัวไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะตรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ใช่อีกใจพระนิพพานอีกอาการสาัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญตนะไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรว่างว่างว่างว่างนี่ตั้งตน้นเรียก ว, ว่าอากินจัญญาญตนะนี่ เริ่มต้นที่ตรงนั้นแต่เรียกที่บอกว่าเซมเพิลเซมเพิลเห็นทุกอย่างว่างหมดว่างหมดว่างหมดว่างหมดแต่มันยังว่างไม่ถาวรเพราะไม่รู้มันไอ้ว่างนี้มันมาจากไหนเมื่อก่อนมันมาจากไหนแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วมันไปไหนทีนี้ต้องรู้ด้วยภาวิตายานแล้วไงรู้ด้วยภาวิตายานว่าง มาจากความไม่มีอะไรจิตนี่มันว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนแล้วมันก็สงบเย็นมันสงบเย็นไอนี้แต่เราเขาคิดว่าจิตนีนี่ไปกวนลรเรื่องเลยไอนี่ตอนที่เขาแสวงหาพระนิพพานไม่ได้อากินกัญญาญาตนะก็กว่านิพพานแล้วออกไปไ ป, ไปม า, ม า, มาไม่ใช่มันไม่ใช่แต่จะเอาต่อไป ทำต่อไปอีกพอทำต่อไปอีกก็เ น, นว่าสัญญาณนาะสัญญาญตนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่พอ อ, อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไม่ใช่อีกแล้วก็ไม่ใช่อีกแล้ ว, ลวเป็นยังไงที่นี้ข่าวนิโรดนิโรดนิโรตสมาบัติคือข่าวนิโรตสมาบัติมันก็ได้ชั่วคราวคือปักอ่อนนิโรตสมาบัติจะว่าคนเลย มีมันยังข้าวนี้รถสมาบัติได้มีในขัวโลกเหนือมันอยู่ตั้งหกเดือนันข้าวนี้รถสมาบัติคือเราทำยังไงเรามีรถทำให้รถของเราข้าวนี้รถสมาบัติทำให้ข้าวนี้รถสมาบัติว่าเราทำยังก็เบาเครื่องมันได้เบาเครื่องเบาเครื่องแล้วก็เบาเอาว้อย่างนั้นเบาอว้อย่างนั้นเนี่ยทีนี้คนเป็นยังไงอึงอ่า โอบเขียดมันข้าวนี้รสสมาบัติมันไม่กินอาหารมันไม่อะไรมันอยู่ในรูหายใจน้อยๆ อ, อะไรน้อยๆเรียกว่าใช้น้อยได้ไประหยัดที่สุดมันใช้ประหยัดที่สุดคือมันใช้น้อยๆแต่แล้วก่อนนั้นแปลงคว่ามีขั้วโลกเหนือมันก็ไปกินปลาแซมอนถึงฤดูปลาแซมอนมันจะมาออกไข่มาออกไข่ ไอ้ทีนี้มันก็หาของที่มันที่มันที่สุดมีไข่มันมากมันก็มากินปลาสามวัเสร็จแล้วมันก็อาหารกินจนเต็มพุงเรียกว่ากักตุนเอาไว้กักตุนเอาไว้กักตุนไอ้ไข่มันนั้นเยมากมากมากมากมากไว้ที่เนื้อที่หนังของมันก็ได้โอกาสมันก็เข้าไปอยู่ในโพรงอยู่ตั้งหเดือนนี่ มันข้าวนี้รสสมาบัติดีกว่าคนแค่อีกคนอยู่ได้แค่สิบห้าวันเองนี่ทีนี้พระที่ข้าวนี้รสสมาบัตนะท่านมักจะอยู่ในป่าในดงอย่างนู้นคือพักผ่อนท่านไปพักผ่อนอย่างนั้นไปพักผ่อนไม่ต้องกินมีแต่หายใจน็ดเน็ดเน็ดเน็ดเน็ดน็ดรสสมาบัตเห็นไหมนี่คือธรรมชาติทีนี้ ข้าวนีร้รถสมาบัติก็เ ข, ขว่าเออพระพุทธเจ้าเมื่อตอนบาลีนิพพานะทําไมพระองค์ไม่ข้าวนิโรสสมาบัติพระองค์ก็ก้าวนิโรสสมาบัติแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงไอความรู้สึกมันก็ยังมีอยู่แต่ความรู้สึกของพระพุทธเจ้าก็ดีความรู้สึกของพระอรร์ก็ดีไม่ใจโอ้คือว่าสงบ จิตสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นอยู่กับความสงบเย็นข้าวที่นี้อย่างนี้เรียกว่าข้าวที่แล้วมันข้าวที่แล้วความสงบเย็นที่เราปฏิบัติจิตที Moi, like ่ก้าวถู่ความสงบเย็นบ้านเดิมมันอยู่ที่ตรงนั้นจึงเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้เราปฏิบัติเพื่อให้จิตนี้ข้าถึงจิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้คือความสงบเย็นที่ก่อนที่จะมีโลกก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ก่อนที่จะมีดวงจันทร์ก่อนที่จะมีดวงดาวก่อนที่จะมีจักรวาลมันก็มีความสงบเย็นนั่นจะว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้นันทีนี้เราต้องทําให้มันเกิดเมื่อเราทําให้มันเกิดเราอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราอยู่เหนือเวลานอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่เหนือเวลาเวลามากำหนดเราไม่ได้เพราะจิตเดิมแท้นั้นมันอยู่มีก่อนที่จะมีเวลาขึ้นมาอีกเวลามันเพิ่งจะมีนี่เพิ่งจะมีเมื่อมีโลกขึ้นมาเมื่อมีดวงอาทิตย์ขึ้นมามีดวงจันทร์ขึ้นมามีดวงดาวขึ้นมามีดวงจันทร์มีจักรวาลขึ้นมาแต่ว่าความสงบความสงบที่พระมีลาลป่าท่านป้อหูฟังโอ้ยสงบสงบสง บ, สงบ จิตของทานสงบสงบได้ยินก็สงบได้กลิ่นก็สงบริมลถก็สงบสัมผัสก็สงบรู้ธรรมอารมก็สงบจิตสงบอยู่ภายในมีความสงบเห็นสิ่งภายนอกก็สงบสงบสงบสงบความสงบความสงบครองโลกโลกไหน เราคนคนหนึ่งนี่แคนหนึ่งก็โลกหนึ่งคนหนึ่งก็โลกหนึ่งคนหนึ่งก็โลกหนึ่ง น, นี่ความสงบครองโลกโลกไกลโลกมันทีนี้นี่เราก็ต้องหาเอาเองความสงบเนี่ยนาตีสันติปรังสุขขังความส ง, งอบอื่นยิ่งกว่าพระนิพพานะมันไม่มีสุขอืนอ่นยิ่งกว่าความสงบนี้มันไม่มีเราทุกคนมีความสงบความสงบที่เรามีอยู่ทุกๆวันน่ แต่เสรแล้วเราไม่รู้คุณค่าของความสงบนั้นเราก็เลยไม่ได้พัฒนาความสงบนั้นให้สงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเห็นว่าไอ้ความสงบนี้แหละมันอยู่เหนือโลกความสงบนี้แหละมันอยู่เหนือจักรวาลความสงบนี้แหละมันอยู่เหนือความตายเอ็นไหมมันอยู่เหนือความตายคนเมัยมก่อนกเน่ยเขาบอกว่า ไอ้คนที่ใกล้จะตายพังงาบพังงาบพังาบอยู่ใกล้จะตายบางคนก็ว่าเอออย่าลืมอย่าลืมประพุทธประธรรประสงอย่าลืมประพุทธประธรรมประสงค์ใครประพุทธประธรรมประสงค์ก็ประพุทธประธรรมประสงค์ในจิตของท่านคือจิตของท่านสงบจิตของท่านสงบเย็นแล้วสงบเย็นแล้วเอาทีนี้เขาจะคิดได้ยังไงก็เขาไม่ค่อยปฏิบัติธรรมนี่ ก็ก็คิดไม่ได้ที่นี้บางคนก็บอกว่าสงบสงบเอาไว้สงบเอาไว้สงบเอาไว้ก่อนที่จะตายให้สงบเอาไว้สงบเอาไว้สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วถึงความสงบแล้วแต่ก็อาจจะเผลอในตอนนั้นฉะนั้นลูกหลานก็บอกว่ายายสงบเอาไว้สงบเอาไว้สงบเอาไว้นี่คือให้จิตนั่นสงบเอาไว้แล้วให้จิตอยู่กับความสงบ ก็อยู่กับความสงบมันก็อยู่เหนือความตายความสงบอยู่เหนือกายอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือจิตอยู่เหนือธรรมชาติทั้งหมดในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละไปดูจิตที่สงบแล้วอยู่เหนือกายอยู่เหนือกายเสร็จแล้วก็แยกจิตที่สงบแล้วแยกออกจากกายก็ไปอยู่กับความสงบ แยกออกจากเวทนาเกิดเจ็บป่วยเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอะไรขึ้นมาเจ็บปวดเอาแยกแล้วแยกออกจากเวทนาอาทีนี้ถ้าจิตเข้าไปยึดมันถึงมันก็แยกจิตแยกจิตที่สงบนั้นออกมาจากจิตโม่มีจิตอยู่เหนือจิตแยกออกมาจากธรรมชาติร่างกายก็เป็นธรรมชาติเวทนาก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติ ธรรมทั้งหมดจะเพธรมมานาลางังอปินิเวสายะสิ่งทั้งปวงอันเคยๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูฉะนั้นอย่าเข้าไปอยู่อยากากา่าเข้าไปยึดถีอกับธรรมชาติทั้งหมดแม้แต่พระนิพพานเองก็เข้าไปยึดมั่นถือมันไม่ได้อย่าเข้าไปยึดมั่นถือมันพระรหรันแม้แต่เป็นพระรหาหันแล้วท่านก็เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นไม่ได้ มันไม่มีกูไอ้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือพระนิพพานอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ว่างจากตัวกูว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงก็คือสิ่งทั้งมวงนั่นแหล ะ, ค, รรระคือธรรมะคือธรรมะดังนนะั้นอย่าเข้าไปยึดมันม่นถือมั่นอะไรทั้งหมดปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดไม่ยึดมั่นถือมัน่นอะไรทางนั้นนั่นแหเรียกว่าสัพเพ ธ, ธรรมานาลัง อภินิเวสายักสิ่งทั้งปวงอันใครใคไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวกูของกูนาลังแปลว่าอย่าเข้าไปฝังตัวอยากจิตนะขก็ไปฝังอยในสิ่งนั้นอยากเข้าไปฝังอยู่ในร่างกายนี้ว่ามันเป็นกูมันเป็นของกูนี่อย่าเข้าไปยึดมันม่นแื่มั่นฉะนักก้นจิตอยู่กับความสงบเมื่ออยู่กับความสงบเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ตายมันอยู่ตรงไหนทีนี้ตายอยู่ตรงไหนมันสงบเสียแล้วมันสงบเสียแล้วพระพุทธเจ้านะพระองค์สงบเสียแล้วสลัดความตายทิ้งไปแล้วที่ใต้ตนโคทีนี้ไม่ใช่ตายพระนิพพานอยากกุ๊อู้พอถึงนิพพานแล้วตายชักเงยียดเหไม่ใช่อานะ่มันคนโง่ที่พูดมาอย่างนั้นที่มาสอนกันอย่างนั้นมันยังโง่เกินไปเหลือแต่เปลือก เมื่อพระพุทธเจ้าเป ร, ปรินไิณพานที่ใต้ต้นโพแล้วนั่นคือกิเลสมันตายกิเลสมันดับกิเลสมันดับที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนสองอย่างสอนสองอย่างคือการเกิดทุกข์กับการ<ม>ดับทุกข์การเกิดทุกข์กับดับทุกข์เกิดทุกข์ก็พระกา้าไปยึดมั่นถือมันดับทุกข์ก็พระปล่อยวางความยึดมั่นถือมันนั้นออกไปหมดมันไม่มีตัวกูไอ้นี้เมื่อพระองค์ พระพุทธเจ้าก็เกิดที่ตรงนั้นเกิดในวินาทีนั้นในวินาทีเดียวกันการประสูตของพระนิพพานของพระพุทธเจ้าประสูตสถานที่เขาคือใต้ต้นโพแต่ว่าการประสูตรจริงๆคือจิตที่มันพบความสงบเย็นที่พบความสงบเย็นเพราะว่านิโรธเข้าไปดับราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะดับเด็ดขาด าะเลยกลายเป็นจิตที่สงบเย็นนั่นตายตรงนั้นใครตายคนตายเรืออร่อยแต่กิเลสมันตายกิเลสคือราคะโัวสัโมะมันตายตายที่ตรงนั้นเห็นไหมนี่พระพุทธเจ้าเกิดที่ตรงนั้นเขาเกิดที่จิตพระพุทธเจ้าปรินนพ้านที่ตรงนั้นปัิจุบันผานคือสงบเย็นเย็นที่ตรงไห น, นเย็นที่จิต เมื่อเอกไฟราคะโทสะโมหะออกไปหมดจิตนั้นก็เย็นพอจิตนั้นเย็นเย็นก็เรียกวา่านิพพานนั่นแหละนิพพานแล้วนิพพานแล้วไอ้ที่เดินอยู่ไอ้ที่เดินไหวๆอยู่ที่เดินไหวๆนั้นเปลือกเปลือกพระพุทธเจ้านั่นคือเปลือกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าจิตของพระองค์อยู่กับความสงบเย็นเข้ามาทางตาก็ว่างเอามาทางหูก็ว่าง รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะธรรมารมที่เข้ามานะ่ยเข้าไม่ถึงข้าไม่ถึงไหนข้าไม่ถึงจิตที่สงบเย็นพวกนั้นเย็นแค่ก่อเข้ามาก็เย็นกข้ามาก็เย็นเข้ามาก็เย็นเอาความสงบเย็นนั้นต้อนรับคือเอาพระนิพพานต้อนรับเพราะจิตยังก็จะมีแต่ความสงบเย็นความสงบเย็นความสงบเย็นทีนี้ที่พระพุทธเจ้า ตรงคนดำเนินไปโน่นไปนี่ไปนั่นไปสอนคนนั้นคนนี้เปลือกนั่นเปลือกของพระพุทธเจ้าทจนี้ว่าพระถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าไปรรนิพพานที่ไหนเราก็ตอบว่าถ้าเปลือกของพระพุทธเจ้ า, าโน่นไปนิพพานที่กุสีนาราแต่ว่าจิตของพระองค์นั้นิพพานแล้ว เรียบร้อยแล้วที่ใต้ต้นสีมหมาโพนั้นเรียบร้อยที่นั้นหมดแล้วก็ประชูตดก็ดีจัตรู้ก็ดีนิพพานก็ดีอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตนิพพานคือจิตสงบเย็นประจูดพอจิตสงบเย็นก็เกิดพระพุทธเจ้าปรุงขึ้นมาในตอนนั้นประชูตดแล้วก็จัตรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นิพพานในตอนนั้นจบหมดเรื่องจบหมดที่ตรง น, นั้นแต่ทํำยังไง ไธาตุมันยังอยู่นี่ไอ้ธาตุมันยังอยู่ก็คือธาตุขันน cry, <c oughs> ี czy. ้มันยังอยู่แต่ว่าไอ้ธาตุขันที่ยังอยู่นั้นไม่ตูกคิดมั่นถือมั่นเลยรูปก็ไม่ใช่กูเอทนาก็ไม่ใช่กูสัญญาก็ไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูจังการวิญญาณก็ไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูธาตุขันนี่มันยังอยู่ยังอยู่ก็ใช้งานมันไปที่มันกว่ามันจะหมดอายุไขของมันนั่นแหละมันก็ยังอยู่ทีนี้เป็นยังไง อยู่กับพระนิพพานคืออยู่กับความสงบเย็นเมื่อจิตอยู่ความอยู่กับความสงบเย็นแล้วเมื่อเรากลัวน้ําท่วมเรกลัวโลกแตกเรากลัวนั่นกลัวนี้มันตายไปทีก็มื่กิเลสมันตายแล้วมันจะไปกลัวอะไรมันก็ไม่ต้องกลัวแล้วทีนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วตายมันก็ไม่กลัวแต่ไม่กลัวตายแล้วมันจะจบแต่คนเนี่ยอยู่ที่กลัวตายอยู่ที่กลัวตาย เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้ตายเสียก่อนตายตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีนี่ตายโง่โง่ตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีย่อมเป็นที่ผีตายโงเพราะมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ตายทำไว้ให้เขาใส่ลงตายโอถงนั่นคือตายเสียก่อนตาย นี่ตายอย่างเรียกว่าตายอย่างอย่างทีว่าเกิดมาสมควรแล้วที่จะตายอย่างนี้ในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาเราต้องปฏิบัติให้ถึงตายเสียก่อนตายเพราะฉะนั้นคําว่าอายุอายุที่พระอภัยพรจะตรธรมมวัตตันติอายุสุขขังพันลังอายุสุขขังพันลังอายุก็คืออายุยืน แล้วไปนับมันดินับไ่าความสงบเย็นนั้นมันกี่เดือนอะมันกี่ปีละมันกี่วันนับไม่ได้เพราะมันอยู่เหนือโลกมันอยู่เหนือจักรวาลอยู่เหนือสปปรรพสิ่งอยู่เหนือสปปรรพสิ่งความส ง, งบเย็นนั้นอายุแล้วคนที่มีอายุยืนก็คนที่ถึงธรรมถึงธรรมตอนที่พระพุทธเจ้าจ ะ, จะรู้ใหม่ๆรามคนหนึง่งมาเห็นก่โอ้ดูหนะ้าตาของท่านแจ่มใสเหลือเกิน ใครครูเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะอะไรของท่านพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราจ ะ, จะรู้เองโดยชอบไอ้พระรามคนนั้นก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลยรลีกไปเลยเีกไปเลยนี่เห็นไหมหน้าตาแจ่มใสไม่ใช่ว่าแจ่มใสวันนะั้นต้องต้องหูก็ต้องเป็นเพชรเจ็ดแล้วนิ้วเอาแหวนมาใส่ก็ต้องเป็นเพชร ที่เขาใหญ่โตมโหราณนอะโอ้ยมงกูดก็เป็นเพชรอะไรนั่นเอาไปทำเราหินทางนั้นไม่มีอะไรหินทางนั้นเอาไปประดับ mm hmm. ก็คนสมัยโบราณเน่ยเขาไม่รู้จักเจียญในเพชร mm hmm. ก็ก็เอามาเก็บเก็บเก็บอย่างนั้นเก็บเก็บว่าไอ้ก้อนหินนี่มันสวยดีแค่นั้นเองแค่นั้นเองเขาก็ไม่ขาไปยึดมั่นถือมันคนเดี๋ยวนี้รู้มากยากนานเห็นไหมรู้มากเลยก็ยากนาน ไปหลงดังนั้นวันณะที่สวยงามก็คือมีความสงบเย็นอยู่ภายในยจิตนั่นอายุจัตตารธรรมาวัฒนติให้ทำจี่ประการ น, นี้จเจริญแก่ท่านให้มีอายุให้มีวันณนะอายุวันโนสุก ข, ขังทุก ข, ขังก็คือสงบเย็นจิตสงบเย็นอายุวันโนสุขขังพลังพลังพลังพลังก็ อะไรก็คือพลังจิตที่เราปฏิบัตินี่ถ้าไเกิดพลังจิตเข้มแข็งพลังจิตที่เข้มแข็งมีพลังปัญญามหาศาลมีทั้งพลังจิตมีทั้งพลังปัญญาแต่ว่ามันบอกเราไม่ได้บอกเราไม่ได้แต่เรารู้ว่าเมื่อเราปฏิบัติมากมากมมันก็มีพลังนี่ไม่ใชออวดตัว ครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านป่วยหนักพอป่วยหนักก็ห้ามห้ามคนเข้าไปเยี่ยมตอนนั้นท่านจําอะไรไม่ได้จําอะไรไม่ได้หมดแล้วไม่รู้ว่ากูชื่ออะไรอะไรไม่รู้หมดแล้วหลวงพ่อคนรีบไปพระคุณไปรอดรมสารเขาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่นี้แล้วเขก็ดีกันมากกับหลวงพ่อเพราะยอมแม่เขาขึ้นมาปฏิบัติธรรมนี้เป็นอย่างไง ก็กดโทรมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็พรุ่งนี้เชา้าท่านผู้ว่าก็ให้คนขับรถมาหลวงพ่อจะไปเช้ามืดเลยหลวงพ่อกดออกรถเช้ามืดไปถึงล น, นกตสายประมาณชัก้าโมงพอไปถึงเป็นยังไง ท, ที่เคยบอกให้ฟังแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ไม่เคยบอกก็เข้าไปถึงเป็นยังไงเขาเขาก็อยากทดลองว่ออาอาจารย์ หลวงพ่อใหญ่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านจําได้หรือจําไม่ได้พอหลวงพ่อไปถึงอ้าวมาเอี้ยนมาแล้วเนี่ยห่อครับกระผมมาแล้วท่านจําได้ขึ้นมาทันทีนี่มันอะไรนี่มันอะไรนี่มันอะไรลองคิดดูนี่มันอะไรนี่คือพลังพลังอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไปสอนพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสหรอกนี่แหละคือพลังเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันติดอยู่ อยู่ที่ในสมองมันก็หลุดออกไปทันทีนี่คือพลังท่านก็เลยจําได้ก็จําได้อ้ามาเอี้ยนมาแล้วครับกระผมอา้าวมาเอี้ยนเราจะตายแล้วเพรากว่าตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติพระเดชพระคุณมีอายุมากแล้วผลงานของพระเดชพระคุณก็มากแล้วถ้าพระเดชพระคุณเป็นอะไรไปกล้าวก็จะเสือบทอตามความสามารถที่ทําได้ นี่เห็น ไ, ไหมนี่แหละกำลังที่จะสืบทอดอยู่แต่ว่านั่นคือพลังอย่างหนึ่งทีนี่หลวงพ่อก็นั่นเหมือนกันหลวงพ่อก็คิ ด, คดว่าไอ้มันอะไรนี่ยนี่มันอะไรวันห น, นึ่งไปโนนไปมาเลเซียมาเลเซียโยมไม่สบายโยมมีโยงคนหนึ่งชื่อว่ายมมูไม่สบายหนักอยู่โรงพยาบาลก็ไปอยู่โรงพยาบาลไปนอนอยู่ในติดบนเตียงนั่นแนหะละหลวงพ่อเอ เป็นยังไงจำอะไรไม่ได้หมดทั้งนั้นเหมือนกันเนี่ยจำอะไรไม่ได้หมดชื่อตัวเองก็จําไม่ได้ใคยไปใคยมาก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยหลวงพ่อจะช่วยยังไงช่วยก็ยังไงเนี่ยก็อารมณ์เหมือตั้งนาโมสามจบทั้งนาโมสมจบก็เรียกพลังมาอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณสามจบเพริบเดียวจําได้หมดเลย จำโน่นจำนี่จานั่นได้หมดจำได้หมดมันอะไรนี่มันอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือพลังตามธรรมชาติพลังตามธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้ถ้าเรามีพลังมากๆพลังนั้นก็จะช่วยคนอื่นได้แต่อย่าข้าไปยึดมัน่นถือมันว่ากูเก่งอย่าข้าไปยึดมัน่นถือมันไม่ได้ถ้าข้าไปยึดมัน่นถือมันก็จะเพธรธมานาลังอีกนั่นแหละไม่มีอย่างอื่นเอาไปเชียงใหม่สามีของหมอดุลยา ติดขึ้นมาอีกไอ้ก้อนหินน่ะก้อนหินมันเข้าไปติดที่ท่อปัสสาวะเอา้ามามาม า, ม า, มาไปเยี่ยมไปเยี่ยมเสร็จแล้วอ๋อก้มหัวมาก้มหัวมาปูหัวพูดพูดพูดอ่าต้องกระถานิดหน่อยกับเพธ ร, รมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งพวงอันไคร่ใคร่ควรข้าไปยึด ม, มัน่นถือมัน่นว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูพูดออกอีกแล้วรูดอีกแล้ว พอเช้าก็าไปตาแจ๋วไปเลยไปหาหลวงพอ่อเพราว่าพักที่บ้านพักของเขานี่เรียกว่าจุกเรียกว่าพลังพลังพลังจิตแล้วก็พลังปัญญานั่นพลังจิตกับพลังปัญญานี่มีอย่างนี้ทีนี้เราปฏิบัติไปเถอะมันมีไม่มีก็าจังหัวมันไม่เป็นไรหรอกเราก็ช่วยตัวเองก่อนที่จะตายเราก็เอาพลังนี้แหละช่วยตัวเราเองอย่าให้ข้าไปยึดมั่นถือมั่น พลังจ the ิตต้องสูงต้องสูงพลังจิตแล้วก็พลังปัญญาก็ต้องเจาะแทงเข้าไปในสัพพติทั้งหลายทั้งปวงอะไรที่เรายังสงสัยอยู่ก็มาเพ่งเงเพ่งเพ่งเพ่งเดี๋ยวก็รู้ทั้งเดี๋ยวก็รู้นี่เรียกว่าจัตตารโอธรรมมาวัตทันติอายุวันโนทุกขังพลังก็ขอให้ทุกๆท่านที่มาปฏิบัติธรรมนี้จงมีธรรมะจีประการ คืออายุที่อยู่เหนือโลกอยู่เหนือจั ก, กรวาลจนนับกันไม่ไหวมีวันณนผิวพรรณหน้าตาผ่องใสมีสุขขาจิตสงบเย็นสงบเย็นมีาละคือกำลังจิตกำลังปัญญาที่อยู่เหนือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขอให้ท่านมีธรรมะที่ประการนี้แล้วท่านก็จะไม่ตาย การบรรยายก็เห็นว่าพอสมควรแล้วในครั้งสุดท้ายในวันนี้ข อ, อ, อความจุกความเจริญในธรรมนั่นแหละจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงทุกทุกท่านเตือน